ก็ในโอกาสที่เราน้อมทั้งกายทั้งวาจาน้อมทั้งใจของเรามาเพื่อบําเพ็ญภาวานากันยมทราบไมมว่า คนเนี่ยจะย่อมบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาและบุคคลที่ย่อมเห็นเนื้อความก็ต้องด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจะ่นั่นผู้ที่เขา พินิจพิจารณาตั้งใจในการทำสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเป็นการนั่งกำหนดภาวนาหรือการได้พิจารณาเห็นสภาวะสิ่งที่ปรากฏเกิดมีขึ้น ที่ธรรมมาบอกว่าเมื่อไรผู้ภาวนาเห็นสายน้ำที่ไหลเป็นเพียงแค่หยดน้ำธรรมาว่าโยมเริ่มเข้าใจสัจจะความจริงที่ใกล้ที่สุดแต่เมื่อไรเราเห็นสายน้ำ ยังเป็นผืนเดียวที่ไหลแล้วเราไม่ได้รู้สภาวะความจริงในสายน้ำหรือแม่น้ำที่ไหลรวมกันเนะมื่อก่อนก็มมาก็ไม่รู้นะพอกำหนดไปภาวนาไปมองอะไรนะมันก็เริ่มบอกถึง สภาวะจริงๆที่มีอยู่พวกเราบางคนก็ไปหลงชีวิตหยดเดียวที่มีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีได้มีจาก มีหัวเราะมีร้องไห้เนี่พวกเราไปหลงอยู่เพียงชุดเดียวถ้าทุกคนน้อมจิตมาจริงๆนะแล้วก็กำหนดให้นิ่งสักนิดหนึ่งพร้อมทั้งไม่ติดอยู่กับสภาวะอารมณ์จิตใดอารมณ์จิตหนึ่ง เพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดอย่างนี้มีการกระทบกระทั่งอย่างนี้เย็นร้อนอย่างนี้ดึงย่อนอ่อนแข็งเรารู้สภาพความจริงแล้วก็ยังมีปัญญาที่มอง สภาวะที่มีอยู่โดยความที่เห็นสิ่งหนึ่งเกิดและกำหนดดูความเกิดเดี๋ยวโยมก็จะเห็นความแปรในความแปรที่ไม่หยุดนิ่ง โยมเชื่อไม่ว่าหยดน้ำถูกแสงแดดแผดเผาไม่นานก็ระเหยและก็หายไปแตามาบอกให้ฟังนะโยมว่าในช่วงที่ภาวนาหนักจริงๆเนี่ยมันเกิดความสลด คดคู่พอสมควรคือพอเรากําหนดลงสู่ไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดในโลกใบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนใจอยากจะหยุดนิ่งมันเหมือนไม่อยากจะปรุงแต่งในชีวิต ที่หายใจในชีวิตที่มีอยู่เรารู้สึกว่าเหมือนพวกเราเนี่ยเหนื่อยอย่างไม่มีสาระแล้วก็หลงในสิ่งที่ไม่มีแก่นสารจริงๆพอเรากำหนดได้สภาวะจิต ด, ดวงนั้นจริงๆแล้วที่บอกมีนิพพิทายานนิพพิทายานเกิด นั่นก็คือความเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายในสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้นะที่รวมลงมาอันกำหนดลงแล้วด้วยปัญญาที่เห็นโดยเนื้อและก็แจ่มแจ้งโดยธรรมตรงนั้น เรารู้สึกบางครั้งก็กลัวแต่คำว่ากลัวคำนี้ไม่ใช่กลัวแบบเขาเอาปืนบัจี้ไม่ใชนะ่เรารู้สึกกลัวต่อชะตากรรมชะตาชีวิตเรากลัวแม้แต่ความคิด กลัวแม้แต่การกระทากลัวแม้แต่คําที่พูดเชื่อไหมว่าพอคนเขาปฏิบัติจิตพอได้สภาวธรรมอย่างแจ้งแล้วนะเกิดความกลัวนะแต่ไม่ใช่เป็นความหวาดกลัวนะแต่มาใช้สับนิดหนึ่งเกิดความกลัวแต่ไม่ใช่ความหวาดกลัว กลัวตรงนี้หมายถึงว่าเราในกลัวว่าใจของเรายังไม่ยอมละยังไม่ยอมตัดยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมวางในสิ่งที่เรายังผูกพันกับสิ่งนั้นอยู่นี่คือสิ่งน่ากลัวที่สุด ไม่ใช่คือคำา่าหวาดกลัวไม่ใช่พอกำหนดได้เนี่ยที่เกิดความกลัวเนี่ยกลัวว่าใจของเราเองจะมีบาปกลัวว่าเราเองยังติดยึดอยู่ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรากำหนดแล้วแต่สิ่งนั้นมันเสมือนชีวิตหนึ่งของเราเช่นเดียวกันมันยากยากตรงที่ว่าเราจะแยกความรักออกจากจิตใจที่ไม่มีความมั่นหมายยึดติดได้อย่างไรเนี่ยมันยากตรงนี้ จริงๆความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นความผิดแต่พอกาหนดจริงๆพอรู้จริงๆคำว่าความรักทำไมตมาเคยใช้คำนิยามหลายคำตมาบอกความรักคือ คือความหวานความรักคือความสดชื่นความรักคือการเบ่งบานความรักคือเราพยายามมองอีกมุมหนึ่งความรักคือความขมขื่นความรักคือความชอกช้ำความรักคือสิ่งที่ต้องเจ็บปวดแล้วแต่นิยาม พ่อหลายคนก็ได้แผลมาจากความรักก็ไม่ใช่น้อ ย, อยและก็ได้ความสดชื่นมาก็ไม่ใช่น้อยแต่ทั้งสองอย่างนี้ยังมีทุกข์อยู่นะตามาก็มานั่งดูพระพุทธเจ้าเรามีความรักหรือเปล่านอ้อ สุดท้ายจะมานั่งพิจารณาบอกความรักของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รักแบบปุถุชนเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาความรักของพระพุทธเจ้าคือความปรารถนาดีและการให้ที่เสียสละด้วยความบริสุทธิ์ ความรักนี้ไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีผิดหวังพระพุทธเจ้าจริงไม่มีความทุกข์ในเรื่องคำว่าความรักเลยเพราะความรักของพระพุทธเจ้าคือความปรารถนาดีและความรักที่มีแต่ความเมตตา ความรักไม่ใช่คือความใคร่ไม่ใช่คือความกำหนัดไม่ใช่เพ่งเลงอยู่ที่เนื้อหนังมังสาไม่ใช่จิงบอกไม่ใช่เป็นความรักแบบปุถุชนทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ความรักอย่างนี้มีในใจของเรา เปลี่ยนทัศนะใหม่ความรักที่ยังมีความเจ็บอยู่เนะี่ยไม่ใช่แล้วความรักที่มีความแค้นก็ไม่ใช่ความชังก็ไม่ใช่ความรักที่อะไรอวร์อยู่ก็ไม่ใช่ความรักที่พิไ ร, รรำพันอยู่ก็ไม่ใช่ความรักที่ติดยึดอยู่ก็ไม่ใช่ และความรักที่เป็นทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่หรือความรักที่เต็มไปด้วยความใครอยู่ก็ไม่ใช่ก็แสงว่าปุทุชนเนี่ยความรักยังเป็นทุกข์อยู่แต่ความรักของพระอริยะของพระพุทธเจ้านะ เป็นความบริสุทธิ์คือความปรารถนาดีมีความเมตตาและเป็นผู้ประทานคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจริงไม่มีคาว่าเสียใจผิดหวังหลายคนที่หยิบยืน่นหลายอย่าง แล้วไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาสิ่งที่ตนตั้งใจสิ่งที่ตัวเองจะต้องได้มันเกิดเป็นความแค้นขึ้นมาเกิดเป็นความผิดหวังเกิดเป็นความเศร้าเกิดเป็นความเสียใจมันไม่ใช่แล้ว ว่าเออคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาฉะนั้นจิตอย่างนี้ที่พวกเราเนี่ยกลัวยมกลัวไหมกลัวที่ตทําไม่กลัวกลัวว่าลูกของเราจะตายบ้างกลัว สามีเราจะตายบ้างกลัวตัวเองจะตายบ้างมันมากมายฉนันพวกเราอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ลึกๆเนี่ยกลัวนะอย่าบอกว่าไม่กลัวนะโยมกลับบ้านผิดเวลาคนในบ้านเขาก็หวัว ไม่โทรมาบอกก็ยิ่งห่วงใหญ่เลยนั่นไม่ใช่เพราะเพราะความรักหรือความห่วงใหญ่มันมีได้นะแต่มาไม่ได้ว่าผิดแต่ทำอย่างไรความรักจะไม่มีทุกข์เมื่อความรักไปเจอความไม่เที่ยงขึ้นมาโยมต้องรับมันได้นะ ถ้ายอมยอมรับความไม่เที่ยงไม่ได้โยมก็ไม่สมควรมีความรักและก็ไม่สมควรเกิดด้วยคํานี้ฟังดีๆถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้โยมก็ไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดถ้ายมยอมรับ ความทุกข์ในสภาพชีวิตที่มีไม่ได้เราก็ไม่น่าเกิดเพราะความเกิดมันเป็นทุกข์ไงความเกิดเป็นทุกข์จริงๆคนอยู่ที่ไหนเรื่องก็เกิดที่นั่นยมวิจริงไล้ล่ะ พอหมดคนเรื่องมันก็หมดเออจริงเนาะพอบอกที่นี่วุ่นวายเนาะพอคนไปหมดบอกที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะจริงที่นี่ขัดข้องเนอพอคนไปหมดที่นี่ไม่ขัดข้องเนอเหลือเพียงธรรมชาติ ที่ไม่เกาะติดยึดอยู่กับสิ่งใดแม้แต่กิ่งไม้และใบไม้ก็ไม่ได้ติดยึดอยู่แต่อาศัยกันอยู่ยมเห็นเปลือกไม้ไหมสเก็ดไม้บทมันจะร่วงมันก็สเก็ดมันก็ร่วงตกลงมาอย่างดีมันก็แปรสภาพเป็นปุ๋ยไป ต้นไม้มันไม่ได้ร้องให้กับสะเก็ดไม้ที่ร่วงไปเปลือกมันก็มีหน้าที่ห่อหุ้มเนื้อไม้เพื่อได้สูบดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านก็ว่าไป เนื้อไม้มันก็สร้างเป็นแก่นไม้มันอาศัยกันอยู่แต่มันไม่ยึดกันอยู่เช่นทำอย่างไรชีวิตที่เรามีแขนมีขามีตามีหูมีจมกูกมีอวัยวะน้อยใหญ่มีชีวิตอยู่ในอวัยวะที่ไม่ยึดติดในอวัยวะแต่อาศัยกันอยู่ สำคัญตรงนี้ปัญญาถึงบอกเวลากำหนดถึงขั้นจริงๆนะมันไม่ธรรมดานะโยทรมันเกิดจริงๆปรากฏจริงๆเห็นจริงๆทราบชัดจริงๆแล้วขนาดจิตนั้นไม่ไหลด้วยไม่ไหลไม่หลงไม่ยึดติด เพียงแต่อาศัยอยู่ในสิ่งนี้ที่มีอยู่ในชีวิตพอกาหนดได้จิตปล่อยว่าหลังจากที่เราทําสมาธิจิตอันตั้งแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งสิ่งที่อยู่เหนือกว่าสมาธิคือจิตที่ปล่อยว่าเอาแค่ฌานสี่พอจตุตฌานมีสติ สมบูรณ์มีจิตอันวางเป็นอุเบกขาไม่ได้ติดในสุขหรือทุกข์เลยสุขทุกข์ไม่ได้ติดก็หมายถึงว่ายินดีก็ไม่ใช่ยินร้ายก็ไม่ใช่วางเฉย เรื่องทั้งหมดที่เกิดมีในชีวิตสัตว์มนุษย์น้อยใหญ่พอจิตได้เข้าสู่เบคะเสร็จแล้วมีสติอันลึกได้ทุกอย่างวางตรงนั้นแหละใครจะมาพูดใครจะมาเล่าใครจะมาบอกเรื่องทั้งหมดวางตรงนั้นคำว่าความดีใจหรือเสียใจ แต่ถ้ามีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำเอามาทำความยินดีความยินร้า ย, ยไม่ได้หยิบมาหยิบเฉพาะเนื้อ ง, งานแต่ไม่ได้หยิบเศษอารมณ์เข้ามาทิมใจแต่มาบอกเออดีกำหนดอย่างนี้ได้ดี เศษเหล็กเศษแก้วทิ่มเนื้อเนื้อขาดเลือดไหลเจ็บกายใจไม่เจ็บเศษอารมณ์ทิ่มแทงใจกายไม่เจ็บแต่ข้างในเป็นแผลเวอ้อเจ็บป่างตายหมดเรื่องหมดแรงกินไม่ลงนอนไม่หลับอกหักทั้งวันวันนี้แปลกไม่ยม ยมคดีนก็บ่าคนอกหักไหมสงสัยหลายคนหรือว่าโดนหักอกก็อีกหลายคนเหมือนกันมันเจ็บไหมโยมเจ็บลึกกว่าใครเจ็บนี้อีกนานเจ็บจนตายก็มีแต่มาเคยดูหนังนะไม่เคยดูมันไปยืนอยู่หน้าผา บูชาความรักด้วยความตายที่แรกตาอมาก็ดูว่าแม้น่าบูชาทราบซึ้งคนนี้รักแบบจิตใจมั่นคงพอสุดท้ายต่มกบ้าโยมนี้ว่าตมาว่าเขาน้่นบ้า ลืมแล้วหรือว่าคนที่รักเราก็มีอีกทำไมต้องใช้ชีวิตเป็นเงื่อนตายไม่จำเป็นเลยโอ้เกิดมาตั้งสิบยี่สิบปีอยู่ได้พอมาเจอเอ็นหนุ่นนนไมไอ้สาวคนนี้อยู่ไม่ได้จะต้องตายเนี่ยนะบ้าเดีย โยมก็เคยบ้าจะม า, าบ้างจริงนะไม่บุญเล่นคนคิดฆ่าตัวตายแค่ว่าดีแสงว่าความรักตรงนี้มันไม่ใช่เป็นความปรารถนาดีไม่ใช่เป็นความรักที่มีเมตตาไม่ใช่ความรักที่เป็นการเสียสละแต่ความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ มันผิดหวังแล้วก็ทนต่อสภาพผิดหวังไม่ได้หรือไปรู้ว่าเขามีใหม่เงี้ยตัวเองว่นนั่งบูชาดอกไม้เหี่ยวอยู่พอรู้เสร็จอยากตายั้ความรักอย่างนี้มันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่อย่างนี้ต้องเอาปัญญาเขาไปแก้ไขไปยืนอยู่หน้าผาไม่ใช่ภาวนาพุทโธนะโยมอย่าคิดนะว่ายืนพุทโธพุทโธพุทโธมองหน้าผาลงมาพุทโธพุทโธตายพุทโธตายไม่ใช่มันจะกระโดดแล้วโยมไม่ได้ยินเสียงแม่เรียกเลยลูกจ๋า แม่กว่าจะคลอดมาแม่เกือบตายนะลูกลูกกว่าจะโตแม่ป้อนนมตั้งเยอะแยะนะลูกนะแม่รักลูกมันลืมหมดแล้วตอนนั้นสติไม่มีแล้วคิดอยู่หนึ่งเดียวผิดหวังชอกช้ำเจ็บใจเสียใจรักไม่สมหวังอยู่ไปก็เท่านั้นตายนี่นะเกิดมาแค่นี้ เขาให้เกิดมามีปัญญาแค่นี้หรือชีวิตนี่นะชีวิตโท่เหมือนนิยายน้ำเนา่ายมจะเป็นนิยายน้ำเน่านะให้เป็นนิยายน้ำใหม่จริงๆมันเป็นเพียงความรักที่ไม่ถูกตอบสนอง แล้วก็จิตนั้นไม่รู้จักคำว่าปล่อยวามันรู้สึกเจ็บรู้สึกทุกข์รู้สึกอับอายรู้สึกไปทุกอย่างเลยเลยไม่อยากจะอยู่แล้วเอาโดดที่โยมโดดรออยู่นานแล้วโดดดิแล้วถามว่าได้อะไรโยมลองนึกภาพก่อนโดดนะ อ๋อนึกว่าโดดแล้วโดดตู้มไปกองอยู่ข้างล่างเละไม่มีชิ้นดีเลยขนาดไม่ตายก็ไม่สวยอยู่แล้วนะยโยิ่งทุเรศไปอีกเนะี่ยพระไม่ได้ว่านะ่ะซ้าหน่อยนะธเรศไปอีกแขนขาหักดูไม่ได้เลยสัปเหรยังบอกไอ้นี่มันโ ง, ง่จริงจริงเนยโง่ไม่ยอมว่า ทำไมไม่ไปสร้างบุญกุศลคิดตายทำไมบวชชีทีบวชบวพระกันได้เดี๋ยวเขาไหว้เอาหักบวชอีกแล้วเดี๋ยวเข้าตำรายแล้วเอาก็ยังดีกว่าตายอย่างนั้นโยมมันไม่เห็นด้วยพอยมนึกถึงโดดเสร็จตายกระดูกแตก แล้วยอมมองว่ามันมีคุณค่าตรงไหนยืนมองก่อนลองย้อนไปก่อนใช้ยานที่มีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยกำหนดสติไปหน่อย อ, น า, อนาคตอันใกลนะ้โดดเสร็จตายถ้าไม่ตายก็ทุเลศยิ่งกว่า น, นั้นอีกพิการทีนี้ ดีมันดีไม้เสียบหลังหักดังไม่ตายโยมคิดดูดิ้นชักชักชักอยู่ทุเรศไหมโยมและถ้าตายก็ทุเรศอีกแบบนะและมีใครยกย่องสรรเสริญมีแต่ก็บอกมันทำใจไม่ได้มันเสียใจมันก็เลยขาดตัวตายแต่ถ้าเป็นชั้นชั้นไม่ขาดชั้นบทชีดีกว่านะ บวพระดีกว่าผู้หญิงผู้ชายความตายมีเสมอกันไม่จำกัดว่าเป็นเพศไหนรักอย่างนี้เขาเรียกเป็นปุถุชนที่รักแบบไม่มีปัญญาพอมองลงไปแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยยมตัดใจเท่านั้นเองตัดใจน้ำตานี่หยุดไหลเลย เดินกลับไปใหม่บอกเราเกิดใหม่เกิดจากท่ามกลางแห่งทุกข์ที่กําหนดรู้เหตุของทุกข์พึงละเสียเกิดในท่ามกลางอริยสัจธรรมตรงนั้นเดินกลับบ้านหน้ายิ้มมาเลยเอา้าก็มันตายแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเราโดดลงผานแล้วไง เอาเงาความทุกข์เนโดดลงไปตัวจริงอย่าโดดนะอย่าโดดกลับไปไปทำประโยชน์ไม่มีใช่ไหมไปเก็บเศษขยะทิ้งถังเสีทิ้งลงถังให้เขาว่าบ้าทำประโยชน์ดีกว่าบ้าแบบฆ่าตัวตายโยมดิ ผ่านหน้าวัดไหนเจอขี้หมาโกโอยใครว่าบ้าแต่ได้สร้างกุศลก็ช่างมันเถอะเออข้าววัดใบ ไ, ไม้ร่วงกวาดเงินเดือนไม่มีกวาดใครว่าบ้าก็บ้าสร้างกุศลดีกว่าบ้าฆ่าตัวตายดีกว่าบ้ารักและฆ่าตัวตายมันผิดผิดต่อบรรพชนนะไม่อายบรรพชนเลย โถถ้าเป็นเราได้สติคิดได้ดีในเมื่อเขาไม่รักเรามานั่งร้องไห้เสียใจทำไมเลิกโงท่ทีาดาดทีเถอะด่าตัวเงสักครั้งหนึ่งเขกหัวตัวเองสักทีนึงเดินกลับบ้านยิ้มไปเลยสุขจริงเนาสุขจริงเนาคนก็มองใหมอ้นนี้มันมันบายาแบบรอเปล่าเนี่ยสุขจริงเนอททำไมแหละบอก ฉันไม่มีความทุกข์อันเป็นความรักแล้ววันนี้ความรักของฉันคือความปาฏณนาจักรดีเอให้เขามีความสุขนะเออมีเมตตาให้เขาจเจริญเจริญ น, นะรักคือการเสียชละคือการให้เออเรายกโทษให้แล้วละ่ะเจอชาติหน้านชาติไหน่าเจอกันอีกเลย ดูดน้ำคว่ำขันเลยโยมอีวนะีนาพอจบเสร็จคว่ำเลยมั่มมึงไปก็ไปกูจะไม่มาจบตรงนี้จริงๆไม่พุ่นเล่นฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาพอเจอทุกอะไรพอติดใจอะไรพอใจเรายึดมั่นมาอะไรเนี่ยมันเป็นเงื่อนมันเป็นปม ยมอย่าสร้างเงื่อนคนภาวนาเป็นเขาไม่สร้างเงื่อนไขเขาไม่ผูกใจเขาจะต้องมีจิตอันวาแล้วกำหนดรู้ความรักมันไม่ใช่คือคำว่าต้องตายไม่จริงอ่ะฉันยอมตายเพราะความรักเนี่ยแตมาว่าชี้ช้ำแบบเปล่าดูหนังมากไปหรือเปล่าโยม ติดละครทีวีมากไปหรือเปล่าไม่เอาไม่จำเป็นสาระชีวิตมันไม่ใช่อยู่ไอ้น้ำหยดนั้นหยดเดียวแต่มันบอกไม่ใช่แต่มันรวมกันเป็นแม่น้ำชีวิตมันยังมีอะไรอีกมากมายไงยมเลือกใหม่ทำใหม่คิดใหม่พูดใหม่ ทำให้ตาเราเราใส่อย่าทําให้ตาขุ่นอย่าทําให้ตาของเรานั้นมันเศร้าหมองทํำไม่เราเริ่มสั่งสมบุญดีกว่าถ้าในเมื่อยมคิดว่าต้องการความสุขทําไมยมไม่สร้างบุญทําไมไม่สร้างบุญในเมื่ออยากได้ความสุขพระเจ้าตรัสไงว่า มาพิกเวปุญญานังพายิตะสุขัเสตังอธิวัจจันตันงพิสุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขโอใครอยากได้ความสุขสร้างบุญไว้นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะ ถ้าโยมต้องการความสุขที่โยมไม่ได้ความสุขจริงเพราะไม่ใช่เกิดจากบุญนํามายินยันได้เลยสุขของพวกเราเนี่ยเอาโลคียสุขเข้ามาเอาความรักความใคร่ความกําหนัดยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องรู้อารมณ์น้อยใหญ่ <S <S เห็นไหมโยมดูเวลา เขามาเล่นดนตรียิงเป็น เ, เพลงทางยุโรปโอ้โหเวลาเขาเต้นคนดิ้นกันทีนเนี่ยสนามหญ้านี้พังเลยนะอยู่พวกเท้าไฟก็บอกมันกระเทิบกันจนหญ้าตายหมดปลูกมาตั้งหลายเดือนกว่าจะติด ดนตรีมาวันเดียวเล่นไม่เกินยี่สิบเพลงตายเกลี้ยงในย่าโอ้โหมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราคิดว่าเป็นความสุขพอผ่านไปสองชั่วโมงมันไม่ใช่แล้วเห็นไหมโยม แต่ความสุขที่เกิดจากบุญเนี่ยมันเกิดจากข้างในไม่ใช่เกิดจากรูปเกิดจากเสียงไม่ใช่หรือว่าเกิดจากการเล้วลมไม่ใช่หรือเกิดจากสิ่งที่มากระตุ้นพวกสารพวกยาต่างๆไม่ใช่นะเด็กถึงหลงทางทุกวันนี้ ที่พวกเราเคยได้ยินพวกยาอียาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กินเท่าไหรมันเท่ากับไปทำลายระบบร่างกายที่สมบูรณ์แบบให้มันพร่องไปนะอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวเสริมไม่ใช่มันทำลายร่างกายที่สมบูรณ์ให้พร่องลง แต่ถ้าสุขจากบุญเนะี่ยมันเย็นสบายสงบและไม่มีโทษไม่มีสิ่งมากระตุ้นด้วยนะมาจากจิตลุนล้วนสติลุนล้วนนี่บุญชื่อว่าความสุขจึงบอกปัญญา คนจะบริสุทธิ์ได้ก็โดยปัญญาเรื่องจริงแล้วเช่นพวกเราคิดอะไรบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเราเอาตัวเราเนี่ยมากไปพอกำหนดอย่างที่จะมาบอกนะพอกำหนดได้สภาวะที่บอกนิพพ า, านเกิดจริงๆนะมันเบื่อและมันเหนื่อยหน่าย เนยหนายจริงๆแล้วกำหนดรู้ได้จริงๆว่าสภาพที่เกิดที่มีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเราอยู่กันด้วยความหลงและอยู่ด้วยความยึดมั่นหมายมากเกินฉันยมถอยมาเก้าหนึ่งแล้วเราจะพูดธรรมะเข้าใจกันง่ายแต่ถ้าโยมไม่ถอย หนึ่งเก้าจากตัวเองมาเนี่ยคุยกันลําบากม่ได้ถูกไปหมดตัวเองดีไปทุกเรื่องเลวไม่มีผิดไม่มีเชื่อหรือคนเราไม่มีคาว่าผิดเลยแต่มาไม่เชื่อถ้าท่านไม่เคยผิดเลยเราก็ไม่สมควรเกิดเหมือนกัน คนบริสุทธ์รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดมาด้วยอะไรเหตุที่เกิดก็เพราะมีอวิชายูเหตุที่เกิดเพราะมีอวิชาอยู่ฉันอย่าบอกว่าไม่เคยผิดเคยพอเราถอยมาเก้าหนึ่งยอมมาดูตัวเองกันถ้าเราคิดเป็นนักภาวนาจริงๆนะ เริ่มจากตัวเองแล้วสิ้นสุดหยุดที่ตัวเองและทุกเรื่องจบตมางงทีแรกงงมากปฏิบัติธรรมรู้แต่ภาวนานั่งเดินย็นนอนกินดื่นกินยืนนั่งถ่ายเลยภาวนาตลอดเลยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตุติสระหันตุสระหัพุโทพโธทุส ร, ร, ร, ร, ร, รตลอดเวลาจนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทญธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุมโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพาทโธพุทโธาุทโธพุทโธพุกโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโโธ่โ ในเมื่อเรามีความโง่ไอ้ที่อยู่ตรงข้ามของเราก็คือปัญญาหาให้เจอสนุกลับรองได้ยมหาดิมันคู่กันนาจะมาไม่บุญเล่นดำคู่กับขาวเห็นมเมืม่อดคู่กับสว่างมันเป็นของคู่กันอวิชชาคู่กับปัญญา โหนัว่าอยู่ไลอยู่คนเราฟา ก, กันเองมันก็คืออยู่ตรงข้ามกับความคิดที่เราคิดเนี่ยแหละพอเห็นไหมคำนี้มันอยู่ตรงข้ามกับความคิดที่เราคิดนั่นแหละในเมื่อที่เราคิดเป็นอวิชชาใช่ไหมมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนั่นแหละคือปัญญาอ้ชักเขาท่าไว จริงหรือว่าเราจะมีปัญญาได้บอกจริงดีในเมื่อท่านโง่เป็นท่านต้องต้องมีปัญญาเพราะความโง่มันคู่กับปัญญามีใครเถียงบ้างครับนี่ยก็ความผิดมันคู่กับความถูกในเมื่อบอกคนนี้ผิดก็อยู่ตรงข้ามกันคือถูกและอยอมมายากไหมล่ะเริ่มเห็นไหมมันอยู่คนละฝากกันไง ตามกระแสะกับทวนกระแสะถ้าตามก็คือไหลเป็นตามโลภโกรธลงพอทวนกระแสะคือไม่โลภไม่โกรธไม่ลงมันอยู่ตรงข้ามกันโอ้ตัมมาบอกนึกว่าเป็นเรื่องไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลแต่แล้วควรใฝ่หาจริงๆเอะในเมื่อเขาบอกเรามีความโง่เท่าไหร่ปัญญามีเท่านั้นเอาวันนี้โง่ให้เยอะหน่อย ชอบใจบอกโง่ให้เยอะถูกใจจะมาพูดจริงนะพูดจริงนะจะมาเห็นเกมอยู่เกมหนึ่งยมลงไปอะไรก็ตามที่มันตกถึงที่สุดแล้วมันจะกระดอนขึ้นมาโยมจับบาสมาลูกหนึ่งลูกบอลเตะให้สูงเลย มันไม่ไปไหนหรอกโยมอย่างมากมันก็ค้างบนหลังคาหรือกิ่งไม้ถ้ามันไม่ตกพื้นนะพอมันกระดอนขึ้นสุดท้ายมันก็ตกลงสู่พื้นแล้วมันก็ดีดขึ้นมาแต่ามานั่งดูธรรมะคอ น, นี้นะคิดคนเรามันก็มีขึ้นมีลงสำคัญว่าเราอย่าดูถูก อย่าเยียบตัวเองอะไรก็ขวางไม่อยู่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำสิ่งใหม่ประตูสวรรค์จงเปิดเดี๋ยวนี้สั่งฉัเลยเห็นนหโยมจิตของเรามีอำนาจพอยมเชื่อไหมละ่ะเราจะปิดประตูนรกในชาตินี้ต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ไปแล้ว ยมเชื่อไม่ว่าจิตของเราเนี่ยเปิดสวรรค์ปิดนรกได้ไม่ได้พูดเล่นเลยนะเป็นเรื่องจริงแต่มาทำมาแล้วในเมื่อทุกอย่างมันคู่กันเราเป็นผู้มีอวิชชามันต้องโยตรงข้ามกับปัญญา สิ่งวันนี้เราทำอะไรถ้ามันเป็นวิชาเราต้องไปอยู่ตรงข้ามโยมมองกลับมาใหม่เลยถอยมาหนึ่งเก้าเยมเชื่อไหมนักมวยถ้าถอยคนละเก้าชกให้ตายชกกันไม่ถูกโยมเคยขีดเส้นต่อยกันไหมเอา้าพ่อแม่เมื่อก่อนเคยขีดเส้นนะอยากต่อยมนันเลยมามามาขีดเส้นต่อยกัน เดี๋ยวถอยคนละเก้ามองหน้ากันต่อยกันทำไมวะเนี่ยต่อยยังไงก็ไม่ถูกกันเนะเตะต่อยถ้าหยุดตีเอามียกหกด้วยพี่เลี้ยงจะเล่นเอาแล้วนักมวยสองพี่น้องถอยมาหนึ่งเก้าโยมฟังทำ ในช่วงกันนี้นะและโยมกลับไปปฏิบัติเองหรือฟังอยู่แล้วเอาไปน้อมจิตถอยหนึ่งเก้าความเป็นตัวเราออกมาก่อนไม่ใส่ตัวเราแล้วความคิดดีนดีนเนี่ยไม่รู้มาจากไหนแต่พอตัวเราใส่มันบังมันเลยนะไปทำดู แล้วจะเห็นยมรู้ไหมในความมืดเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นความมืดและในความสว่างรู้อย่างไรมันเป็นความสว่างนี่จะมาถามแบบกำปั้นทุบดินนะแต่มันมีเหตุผลพอที่จะตอบนะ เพราะในชื่อว่าความมืดมันคือสิ่งที่มองอะไรไม่เห็นหรือเห็นก็ไม่ชัดไม่ถนัดจึงเรียกว่าความมืดต่อมาถามว่าโยมเห็นอนาคตตัวเองอะไงคนมีญาณก็รู้ พระพุทธเจ้าประกาศเลยอีกสามเดือนข้างหน้าเราจะดับขันมหาปรินิพานพุทธเจ้ารู้ตัวรุ่นแหละคือแสงสว่างตัวไม่รุ่นแหละคือความมืดคือไม่สามารถรู้หรือเห็นได้เช่นในแสงสว่างก็คือสิ่งที่เราแลเห็นมองเห็นอยู่ ยมเห็นความคิดไหมความคิดยมมีแสงสว่างไหมแต่มาไม่ได้หมายถึงว่าเปิดดิออนนะแสงสว่างคือปัญญานัตถปัญญาสมาอาภาด้วเนี่ยไม่มีแสงสว่างได้เสมอด้วยปัญญาแล้วโยมเห็นความคิดไหมมองให้เห็น เห็นคำพูดไหมมองให้เห็นก่อนที่จะพูดโยมเห็นไหมจิตตัวเองมันคิดมันปรุงมันแต่งอะไรกุศลอกุศลต้องมองให้เห็นพอมองเห็นเสร็จโยมต้องเลือก ทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตอย่าตามชีวิตที่มันจะเป็นไปตามที่มันอยากจะเป็นถ้าอย่างนั้นมืดคำสั้นๆมืดดำถ้ายมเห็นความคิดแล้วนะยมจะรู้ว่าความคิดนี้เป็นอวิชชาหรือเป็นปัญญา คำพูดเนี้ยเป็นบันดิตหรือเป็นคนพาลจิตอย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศลหยุดนิ่งถอยมาหนึ่งเก้ายืนดูตัวเองก่อนเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวก่อนดูให้ชัดก่อนแล้วก็เล็งไปที่เป้าแล้วก็ปล่อยให้เต็มที่เข้าเป้าการปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผล เขาปฏิบัติสิบยี่สิบปีเราปฏิบัติแค่สิบอาทิตย์รุดหน้ากว่าเขาเยอะเลยคนนี้เห็นความคิดอยอมบอกธรรมดาไหมนักวิชาการเขาเห็นความคิดรึเปล่าเขาเห็นสิ่งว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามคลำไปหาจุดนั้นหาเหตุหาผลหาเหตุหาผลหาเหตุหาผล แล้วก็เจอในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมหรือเป็นพลังงานจริงๆที่เขานำเอามาใช้ได้เช่นวันนี้โยมต้องใช้ความคิดใช้คำพูดใช้จิตและใช้ชีวิตไปสู่มรรคผลให้ได้เดินให้ไกลจากทุกข์แต่ไม่ใช่หนีทุกข์ พระเจ้าเราเป็นผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและโยมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็บอกใต้คนไม้นั่นคือร่มเงาแต่ตรัสรู้ที่จิตของพระองค์โยมมองวความคิดก่อนใครบอกว่ามองไม่เห็นถ้าไม่เห็นปฏิบัติไม่ได้ ต้องดูให้มันชัดก่อนถอยมาหนึ่งเก้าโยมเห็นได้ยังตัวเราอยู่ตรงไหนธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนถ้าหาตัวเราไม่เจอหาธรรมะไม่เห็นปฏิบัติไปก็อย่างนั้นนะขับไปก็วงวกไปวนมาเวียนไปเวียนมาจิตมันร้อนอีกแล้ว เห็นไหมทำให้มันได้ตรงนี้ก่อนที่บอกวิปัสนาวิปัสนาที่พูดกันก็คือให้รู้แจ้งถามว่ารู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับไม่มากกว่านี้คำพุทธมาจบแล้วแต่ รายละเอียดมากมายสุดที่จะกล่าวและพรรณานาให้จบได้แต่วิวปัสสนายืนยันได้ว่าคือทำให้แจ้งแจ้งคืออะไรสิ่งที่เกิดที่มีที่ดับไม่มากกว่านี้เลยพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่ปรากฏอยู่และสิ่งที่ดับไปและขณะที่มีอยู่ อดีตปัจจุบันอนาคตไม่มากกว่า น, นี้ชีวิตที่เราใช้อยู่สามการนี้หนึ่งเหมือนไล่ล่าเราอยู่สองเหมือนเราไล่ล่าอยู่สเหมือนปกติชีวิตที่ผ่านมาก็เหมือนอดีตไล่ล่าอยู่ชีวิตที่ยังมาไม่ถึงมันก็อนาคตที่เราไล่ล่าอยู่ ปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราใช้มีอยู่ยมทำอย่างไรสามการนี้ให้จิตของเราวางเฉยได้จิตวางเฉยแต่กายไม่เฉยความคิดไม่เฉยคำพูดไม่เฉยการกระทำไม่เฉยยังเดินต่อ เดินต่อไปเรื่อยๆอพิจารณาพอยมถอยมันหนึ่งเก้า 1, เดี๋ยวจะเห็นตัวเองโกรธอยู่ตรงไหนกระชากหัวใจออกมาไอ้น้อยเนื้อต่าใจมันอยู่ตรงไหนศักิ์สีความบ้าบินมันอยู่ตรงไหนกระเทาะออกมารักชอบเกลียดชังมันอยู่ตรงไหนชีวิตของโยมหายโจ ถ้ายมหาไม่เจอดับมันไม่ได้รู้ไหมว่าฆาตกรต่อนเนื่องอยู่ที่ไหนโยมว่าอยู่ที่ใจของคนฆ่านั่นเองไม่ใช่อยู่ที่กายของคนอื่นถ้ามองเห็นรู้จริงธรรมาบอก สุดท้ายความโง่มันก็คู่กับปัญญาพวกเราเคยโง่ใช่ไหมแสงว่ามีปัญญาซ่อนอยู่มีปัญญาซ่อนอยู่อย่า ก, กลัวเลยโยมต่อไปนี้พอเขาว่างโง่เมื่อไรโยมไปอีกฟากหนึ่งเลยนะจำไว้ โดนไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกคิดโง่โงไงวันไหนใครบอกนะโยมโดนไปอีกความคิดหนึ่งคิดตรงกันข้ามผาก็อบอกทําผิดโยมโดดไปอีกฝั่งหนึ่งถูกมันก็ไม่ยากกว่าแทงไฮโลนะแต่มาบอกให้ฟังเคยเล่นไหมโยมระวังตำรวจจับนะ ยิ่งปฏิบัติจริงๆและยมจะเห็นพอยมเห็นตัวเองแล้วนั่นแหละยมมาต้องมาพิจารณาว่าตัวของเรามันมั่นหมายอะไรยังมีโลภโกรธหลงแค่ไหนรักชอบเกียรติชังแค่ไหนกิเลสตัณหามีเท่าไหร่ยมวัดใจตัวเอง เสร็จแล้วโยมต้องล้างใจตัวเองไม่มีใครล้างใจตัวเองได้ไม่มีใครล้างใจให้เราได้ต้องตัวเราเองล้างตัวเองใจที่มันสกรปรกคนอื่นล่วงไม่ได้และคนอื่นก็ทำให้เราสกรปรกไม่ได้ด้วยนะจึงบอกว่าคนย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคนย่อมเห็นเนื้อ ทำด้วยปัญญายิ่งกำหนดไปยิ่งรู้ไปรู้ไปรู้ไปเชื่อไหมว่าคำด่าคำทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันจะหายไปเองจนโยมสามารถยืนแล้วก็เห็นจิตของคนที่กำลังด่ากำลังทะเลาะกัน กำลังมีปากเสียงกันเห็นแล้วน่าสมเพชและก็น่าสงสารซึ่งเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็ทุกข์แค่ไหนด้วยยิ่งใครอยากให้คนอื่นก็ทุกตัวเองก็ทุกเต็มที่เหมือนกันไอ้เขามาความสะใจยมคิดว่ามันเป็นความสุขเหรอ ไม่ใช่เลยมันเป็นอวิชชามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่จะเวียนกลับมาสู่ตัวของเราเองในที่สุดพอภาวนาเป็นเราถอยมากลาวเดียวยมรูนเลยของมันคู่กันมื่อก่อนจะมาบอกปัญญามันอยู่ไหน หาลิ้นชักเปิดกี่ชั้นก็ไม่เจอเปิดบนฝ้าเพดานก็ไม่มีใครซ่อนปัญญาเราไว้ไหนเนอะสุดท้ายดต่มกตัวเราเองเป็นผู้เริ่มและตัวเราเองจะต้องเป็นผู้หยุดมันยมจำคำนี้นะ กิเลสเกิดที่ใจแล้วกิเลสจะดับได้ก็ที่ใจสำคัญตรงนี้เรายิ่งมองไปมองไปพิจารณาไปพิจารณาไปใจของเราจะรู้รู้รู้เสร็จจิตมันจะวางแล้ว ถ้ารู้จริงจิตวางรู้ไม่จริงจิตยึดย่มเชื่อไหมละการภาวนาดูออกเลยว่าคนที่ภาวนาได้ธรรมะจริงไม่จริงรู้จริงจิตวางรู้ไม่จริงจิตไม่วางรู้ที่พูดกันนักหนาจิตไม่วางเขาได้รู้ไม่จริงไม่จริงรู้ไม่จริงพอรู้จริงนั่นแหละ อยู่กับสิ่งใดใจไม่เป็นสิ่งนั้นตมาบอกเนี่ยคือปฏิหารใครใครพบปฏิหารคำนี้บ้าอยู่กับสิ่งไหนใจไม่เป็นสิ่งนั้นเนี่ยมันปฏิหารมากเลยใจนั้นบุตรชนที่ไม่ได้ฟังธรรมนะอยู่กับสิ่งใดติดยึดสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งไหนก็หลงอยู่กับสิ่งนั้นแต่คนที่เขาภาวนาะ จนได้ปัญญาอยู่กับสิ่งใดใจไม่เป็นสิ่งนั้นเขาเป็นได้ก็เพียงเห็นความเกิดดับแล้วก็เป็นดันดีที่ปล่อยวางปัจจุบันที่ไม่มั่นหมายอนาคตที่ไม่ทะเยอทยานที่ไปยึดถือที่มันมากเกินจนเป็นตัวตนที่เป็นทุกข์อีก เราจะเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายตาใสตาใสตาใสทำไมบอกตาใสจิตมันว่างรักชอบเกลียดชัง น, นี้มันไม่มีตรงนั้น มีแต่คำว่าความปรารถนาดีที่เป็นความรักให้กับสัตว์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่กิเลสตัณหาเพราะไม่ได้หวังอะไรอันเป็นเนื้อหนังบังสาหรือหวังอะไรอันเป็นผลประโยชน์จุดนี้สำคัญเอาละก็สมควร ในการพังธรรมก็ขอสมมติยุติลงแต่เพียงเท่านี้